و َ่งสิร ر อ ل อัมรีอัพล و َดั ل มิลْสาน م ย่กว ن าว์กอวีอัลลัฮฺมุ่งฟะเนบิมัลลัมต ا นาอัลลัมนาไม่ฟะงนา ا ัล ا ี ن นาอิลมาอัลบนาอั ن เลมนาอัลฟุสนาอั ل ลัมทาว ن ร์เลนา ن ัลทร์ห์มนาเลนาคูนนาบินัลข ن าสิรีอัลบนาอัตินาบินาดงคารห์มห์ ุ ل ح م د لله ชูกรตาอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ที au, uh, ่พระองค์ได้ทําให้เราข้ามวันเวลาผ่านวันเวลามานะครับพร้อมๆกับความความปลอดภัยทั้งในชีวิตในทรัพย์สินมีสุขภาพอนามัยที่ดีอัลฮัมดุลิลลา ทำกลาง <c oughs> สภาวะต่างๆที่ยังไม่นิ่งแต่เราก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยถือว่าเป็นเนือหมัดประการหนึ่งจากอัลลอฮฺสุลตานหาวะตาละเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณพระองค์ให้มากๆนะครับวันนี้นะครับสูรตุลฟัตคงจะเป็น ก่อนสุดท้ายนะครับเพราะว่าคงจะไม่จบในวันนี้ทีเดียวต้องแบ่งสองวันนี้ตอนนึงแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกสักตอนนึงนะครับทีนี้ผมบมดซูรุตุลฟัสเนี่ยคิดว่าคงจะไม่มีซูรอก์ใหม่ก่อนรอมฎอนเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลาเราอาจจะคัดเลือกเอาเฉพาะบางอายัดที่เราสนใจ แล้วก็เอามาคุยกันเอามาตักซีอธิบายกันจะมาดูกันว่าจะเอาอายัอะไรมาพูดคุยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไปอ่านสุรทุลอักกอฟแน่นอนว่ามันคงไม่จบมันต้องใช้เวลาหลายตอนพอสมควร น, นะครับ mm hmm. เฉพาะสุรทุลฟัตเนี่ยเราใช้กี่ตอนวันนี้ตอนที่แปดเก้าตอนเก้าตอนถ้าอกอฟนี่น่าจะเยอะกว่าก็หรือไม่ก็ประมาณนี้ซึ่ง เวลาประมาณไม่กลัวกลัวมันจะก้ากึ่งไหมหรือว่ามันจะโอเคไหมให้จบได้ไหมหรือเวาลาอีกกี่สัปดาห์ครึ่งประมาณเจนะ็ดแปดแปดกับ6กแปดกับสองเป็นสิบเนี1ยสิบสัปดาห์ไหมกว่าจะถึงร م มอ ن อ่นะต้องกลับไปดูถ้าถ้าทันเราก็เริ่มซืรอบใหม่แต่ถ้าไม่ทันก็ อาจจะเลือกโดยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมาค่อยดูกลับไปดูปฏิทินกันวันนี้มาอ่านกันก่อนสุรัตนลฟักซ์ตั้งแต่สามวันนี้3อายัดนะครับตั้งแต่อายัดที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่แล้วเราก็เหลืออายัดสุดท้ายไว้สำหรับอาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮฺ ลาอิลลอิลลอฮ์สะฟุรลอฮะทูร์ซุร่าทูรฟัดายะที่สิบหกครับหน้าที่สองหกหนึ่งเจ็ดข้างบนเลยอุบิลลาฮิมินัชอตารจ إ ذ ج ع الذ ل الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ا ل ْ ج َ ا ه ِ ل ِ ي َّ ة فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين <ت ص في ق> وألزمهم كلمة التقوى و َكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا แล้ صدق ا ل ل ه h รัศดูละรุยาบิลฮ ل แล้ด ا ل นเข้าลุ่ ن ش ا มัสยิด م ัล آمينين م ُ ح ل ق ي ن رؤسَكُم و َ م ُ ق ص ِ ر ي ن َ ل ا ت َ خ َ ا ف ُ و ن فَعَلِمَ مَا ل َ م ت َ ع ل َ م ُ ฟ้าَะِล้ามิหนَนีَรักกัตถะนَ้นใกลَ้ ر าหัว ا ลี่อัลสลารสุลล ه บิลฮุด้า ي ن ินอิ จะยุ ه ه ่งเหรอเขาทา ل ด้านที่สองก็คือการที่เรา ل ้องมีการศึกษ อายะที่สิบหกเป็นช่วงท้ายของเรื่องราวหรือเป็นส่วนอธิบายในตอนท้ายที่ห้อยอยู่กับเรื่องราวของการที่พวกมุชริกีนมักกะไม่ยอมให้ท่านนาบีสุลต่ลละฮ์อัสซลลัมเข้าไปทำอมุมะอัลลอฮต้าอลัอละก็ได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่า ออตอนแรกเกือบๆที่จะเกิดสงครามเกิดการประทะกันแต่ด้วยเนืมัดมด้วยความเมตตาของล l l a h ด้วยฮิคมะด้วยเหตุผลที่ Allah ตาลาทรงรู้ดีพระองค์ทรงไม่ทำให้เกิดการประทะกันระหว่างสองกลุ่มนี้นะครับทีนี้สุดท้ายแทนที่จะมีการประทะกันก็มีการ เซ็นสัญญาสงบศึกในเหตุการณ์เนี่ยถ้าเราไปดูตัฟซีนโนกาซินเนี่ยเล่าเรื่องราวฮิวายยาวมานกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนที่จะเซ็นสัญญากันเนี่ยในจำนวนเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นในระหว่างเซ็นสัญญาเนี่ยท่านนาบีสุลออัสลามเรียกถ้าจะไม่ผิดก็ท่านอาลีเป็นอบดลตอลิให้มาเขียนสัญญา ท่านน บ, บีสั่งว่าเขียนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมนี่คือสัญญาของมุฮัมมัด رسولullah ทำกับบรรดาชาวมักกะคูค่สัญญาพอเห็นท่านน บ, บีสโลลลาะฮ์อะลัยวะสัลลัมสั่งให้เขียนแบบนี้ขานขึ้นมาขานขึ้นมาอย่างไรไม่ให้เขียนบิสมิลลา เพราะว่าถ้าเขียนบื้องสิ่งลแสดงว่าเราก็เป็นผู้ศรัทธาเราไม่จําเป็นต้องมาต่อสู้กับเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่ยอมไม่เขียนบิ้มิลิ่งละไม่ยอมให้เขียนว่ามุฮัมมัดราะสูลุลลอฮ์เพราะถ้าเขียนมุฮัมมัดราะสูลุลลอฮ์จะเขียนทำไมอีกพระก็เหมือนกับเป็นการยอมรับเพราะฉะนั้นไม่ให้เขียนอ่นาท่านนบีเป็นยังไงครับโอเคไม่เป็นไรไม่เขียนก็ได้ ไม่เขียนบิสมิลลาห์ไม่เขียนมุฮัมมัดรอสุล ullah ก็ไม่เขียนเขียนเป็นมุฮัมมัดเป็นอับดุลลอฮ์แทนตอนแรกอลีไม่ยอมเขียนท่าน阿里ไม่ยอมเขียนไม่ได้อะไรนี่ท่านนี่เป็นตําแหน่งของท่านทําไมถึงจะยังไงก็ไม่ยอมจะเขียนมุฮมัดเป็นอับดุลละฮ์อ่มุฮัมมัดรอสุล u l l a นะครับแต่สุดท้ายฝั่งนู้นก็ไม่ยอมไม่ยอมอะ ต้นน บ, บีก็บอกอะไรให้เขียนสุดท้ายก็เขียนตามที่พวกเขาต้องการอัลลอฮฺสุบฮานาตะอัลเลยตมหนีพวกมุชริกีนพวกนั้นในอายะนี้อิจเจลล์ الذين كفروا في قلوبهم الحمية พฤติกรรมของพวกมุชริกีนที่แสดงอาการแบบนั้นนะ่ยอันที่จริงแล้วเป็นพฤติกรรมหามิยะหามิยะนี่หมายถึงยึด ต, ติดอยู่กับการ ย า, าทิฏฐิหามิยาก็คือทิฐิทิฐิทีทท่เกี่ยวข้องกับเรื่องพักเรื่องพวกอ่อไม่ได้นี่พวกชั้นอันนี้กลัวเสียหน้าหามิยาก็คือต้องการที่จะรักษาไม่ให้ตัวเองเสียหน้าแต่เป็นฮามิยาที่อัลลอฮฺตะลาเรียกว่าฮามิยาเตลเจฮิลียะ อัลฮมยะเนี่ยการถือพักถือพวกในลักษณะแบบนี้เป็นพฤติกรรมยาฮิลิยะที่ไม่ยอมให้ท่านนาบีเขียนบิสมิลลาห์นะที่ไม่ยอมให้ท่านนาบีเขียนว่ามุฮัมมัดอะลัย์สุลลัลเกิดมาจากอาการยะโสโอหัง oh ไม่ได้เกิดมาจากความเป็นธรรมไม่ได้เกิดมาจากความ อ, อะไรนะเขาเรียกนะความคิด สติปัญญาที่ดีไม่ใช่แต่เกิดมาจากอารมณ์ล้วนๆเกิดมาจากอารมณ์อยากจะเอาชนะเกิดมาจากความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องอต้องอยู่เหนือต้องอยู่เหนือนะครับไม่ได้คนอื่นจะมาให้ทำเสียหน้าไม่ได้ได้ละลอยๆคือเหมือนคนแพ้แล้วผ่านนะคนเกิดมาจากความผ่าน ผานเพราะตัวเองอตั้งแต่ไม่ให้เข้านี่ก็ผิดแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีที่ผ่านมาเนี่ยใครอยากจะเข้ามามากกัคคะต้องได้เข้ายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีจุดประสงค์ที่จะมาอมรักษ์เนี่ยจะไม่ห้ามเด็ดขาดต้องให้เข้าให้ได้แล้วเนี่ยเอาทั้งแกะเอาทั้งอูดมาแน่นอนว่าไม่ได้มาทําสงครามแน่นอนแล้วทำไมถึงห้ามไม่ให้เข้า ไอ้ห้ามไม่ให้เข้านี่ก็เป็นพฤติกรรมใหญ่หเลยเป็นพฤติกรรมที่ยโซโอหังละเป็นธรมียะ์ละมันจะมีสัพเฉพาะของมันเขาเรียกว่าอะไรนะการถือพักถือพวกอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคือแม้ว่าฟังตัวเองจะผิดแต่เป็นพวกอะเป็นพวกเราอะไม่ได้ต้องปกป้องผิดยังไงก็ต้องปกป้องเพราะเพราะเป็นพวกเดียวกัน <laughs> นี่แหละเขาเรียกว่าธรรมีย์ ซึ่งที่จริงแล้วทาไดไ้แบบนี้อิสลามบอกว่าอะไรนะอั يم, ีมอกุนุโความีนบิลกิสตชฮะดาลิลลาฮิชฮะดาลูฮะดาบิลกิตอัลกุรอานนี่สั่งให้มนตามุมินให้ความยุติธรรมแม้ว่าจะเป็นกับคนใกล้ชิดเป็นญาติสนิทถ้าผิดก็ต้องว่าผิดในขณะที่พวกยาฮลยเนี่ย อ่าผิดไม่ได้ก็พวกเราพวกเราจะผิดจะถูกถูกตลอดอันนี้เ็าเรียกว่าทามียะนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับความยุติธรรมความเป็นธรรมนี่คืออาการของพวกมุชริกีมตั้งแต่ไม่ยอมให้ท่านนาบีเข้าจนกระทั่งในเวลาที่เขียนสัญญาก็มีพฤติกรรมแสดงแบบนี้ออกมานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้พูดเอาไว้อ s j a l l a d i ja d i ในหัวใจของพิกเขามีความวลาที่แสดพลาดอย่างหนึ่งคือการคงดว่าคนที่ไม่เชื่อจะเป็นคนที่ไมมิน บรรดาสหะบะบัญญัติ فأنزل الله س ك ز ل ه أ ังร้อนเป็นไฟอาการดูอังหนึ่งต้องเยือกเย็นต้องสงบต้องนิ่ง นี่คือสิ่งที่อัลลอประทานลงมาในหัวใจของท่านนบีสลละลัลลมและบรดาลสฮาบะห์ฟอ้นซลัลลอฮุซีนฮอลาหลัฮิวอะลัมุมินีอลลุบฮะฮอลาหัวใจของท่านนบีสลละลัลลมรู้สึกระงับนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นเราก็คือพักเขามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอะต้องเอาให้ได้บางแรกก็จะเอาให้ได้แหละ หลายคนก็จะเอาแต่ Allah าาะตละสภาวะแต่ลปรับความรู้สึกของบรรดามุมินทั้งหมดบรรดาสัฮาบะทั้งหมดให้สามารถรังกับความรู้สึกเหล่านั้นและให้มีความรู้สึกส ก, กี้นะ่ะลงมาแทนอัลลอฮอักบะรพี่น้องครับนี่อัลกุรอานพูดมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยไหนวิธีการเอาชนะคนพาล น, นี่ลองไปถามดู ลองไปถามพวกนักจิตวิทยาลองไปถามใครก็ตามแต่ที่เก่งในเรื่องพวกนี้จะเอาชนะคนคนแบบนี้เนี่ยมันต้องนิ่งต้องใจเย็นจริงไหมแค่นี้เอาคุรานสอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนนะถ้าสมมุติว่าฝั่งหนึ่งร้อนอีกฝั่งหนึ่งก็ร้อนจะเกิดอะไรขึ้นลองนึกภาพดูแต่รัฐบ า, าลเราจะอะไรปรับหัวใจของมาดามมินให้นิ่งนะครับ ถอยหนึ่งก้าวเพื่อที่จะชนะอีกหลายก้าวหลังจากนั้นด้วยฮิคไหมของอัลลอฮ์สุวาละสกีนาตฮะวะลาอูซ al ูลิฮีวะลาลมุมีนอสกีนาฮ์นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องฝึกให้มันมีอยู่ในหวัวใ จ, จของพวกเราตัวของเราเองโดยโดยโดยธรรมชาติของเราเนี่ยชัตอนเนี่ยเวลาที่มันจะทำ ให้เราหลุดไปจากเร็วหรือรางของเราเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่เห็นชัดๆเลยหนึ่ ง, นงก็คือความโกรธความโกรธเนี่ยคือชัดชัดมากเวลาที่เราโกรธขึ้นมาเมื่อไหรแล้วสติปัญญามันจะหลุดหมดมันจะไปนู่นหมดเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงฝึกบอกเนี้ยเหมือนจะบอกบอกตัวเองแล้วก็ยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันกว่าจะฝึกให้ใจมันนิ่งอะ นะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอัศกีนะนะครับสามีภรรยาต้องมีสักกีนะอ่าถ้าไม่มีสักกีนะในครอบครัวเนี่ยถ้าฝั่งหนึ่งร้อนอีกฝั่งหนึ่งก็ร้อนจะเกิดอะไรขึ้นนะอายัดที่พูดถึงการแต่งงานการที่อละตะลาสร้างระหว่างผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีคํานี้อยู่ด้วยว่าจะอะไรนะลิตัสคุนุอิลไลฮะอ็มะลิตัสคุนุอิไลฮะ ต้องการให้เกิดสกีนะในครอบครัวเพราะฉะนั้นเพื่อนกับเพื่อนต้องใช้อายัดนี้ได้นะครับเจ้านายกับลูกน้องใครที่ต้องคลุกคลีปะปนกับคนเยอะๆต้องมีอสกีนะเนี่ย و ัลจัมมหุลิมเต็ตตัควไอัว่าจัาลหุมมุลเตซีนบิมาตัควตดีคำเต็ตบิมาตัควตดี คลิมต์ตัวา ا อัลลอฮอิล ل الله م ن ا ت ا ل ل ه س ا ن ل ه و ัลิมตตัวาอะไรคัลิมต์ตัวาทแห่งการตัวาก็คือ ا ل ل ه ท้ายคำแห่งกอนั่นเอง ถ้อยคำแห่งการยงเกรงต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ก็คือละอิลลัฮอิลลัลลอฮเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติคนคนหนึ่งสามารถที่จะเอาหัวใจของตัวเองไปผูกไว้กับอัครีตุดเจ้าฮีกับลาอิลลัฮอิลลัลลอฮมันจะซึมซับไปยังพฤติกรรมของเขาอันเนี้ยสำคัญจะบังคับหัวใจให้มีความนิ่งความสงบเนี่ยต้องใช้อิลลัฮอิลลัลลอฮมา มาช่วยกำกับอลองดูเวลาที่มันพุ่งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะอิล <laughs> il um ่าอิลลอห์อัลลอฮ์มูัลลิอะลัมุฮัมมัดนะครับจะช่วยอะไรเป็นการฟื้นฟูหัวใจเรียกอีมานกลับเข้ามาในหัวใจอีกครั้งหนึ่งให้มันนิง่งเวลาที่มันอ่าอิลาอิลลอ์ซิกเกต่ออัลลอฮ์ سبحانه แะนี่คือก <laughs> ารที่ เป็นผู้ศรัทธาเห็นไหมเป็นเป็นเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ให้ประทานให้กับที่อัลลอลาประทานให้กับผู้ศรัทธาเท่านั้น <ت> <ت> วกันุอัฮักกะบิฮะอัลลอฮฺ تعالى บอกว่ามีแต่มุสมินเท่านั้นที่สมควรจะมีความนิ่งมีแต่มุสมินเท่านั้นที่สมควรกับกาลิมตุตตะก่า คนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาเขาจะควบคุมอย่างนี้ไม่ได้แต่ที่เราเห็นบางทีที่เรามีแบบนี้เราต้องเช็คตรงไหนเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วแต่บางทีมันก็ยังมีอยู่แสดงว่าละอิลาฮออิลอลอเนี่ยมันยังไม่เกิดผลเท่าที่ควรในหัวใจของเราต้องกลับไปเช็คตรงนะั้นว่าจริงไหมละอีลาฮออิลอลอในหัวใจของเราเนี่ยมัน มันหมดอายุแล้วหรือเปล่าหรือมันหมดฤทธิ์ของมันแล้วหรือเปล่าจะทําให้มันมีฤทธิ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยังไงไปเช็ดถูมันให้มันใหม่ขึ้นมาได้ยังไงนะจัดดิดูอิมานะคุณทาให้อิหมานของเราเนี่ยใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบิลาอิลลาฮิลลอห์ด้วยลลาอิลาฮิลลอหทั้งด้วยความเชื่อทั้งด้วยการพูดทั้งด้วยการกระทําของเราต้องกลับไปตรงนั้น ว่า كانوا أحق بها وأهلها لا مؤمن إلا أتي بنسماتككم لا إله إلا الله تتابع. ณถ้าเราเป็นสมาชิกของลาอิลลาห์อิลล na nah, allah อินชาอัลลอฮ์ณเวลาไม่ว่าปัญหาข้างหน้าจะหนักหน่วงแค่ไหนคนที่จะพานกับเราเขาจะใช้กระบวนการกระบวนท่าไหนมาแต่ถ้าเรามีลาอิลาหอิลลอินชาอัลลอฮสกีนะมันจะลงมาความนิ่งความสงบ สติมันจะมานะมีฮะดิษมีรายงานหนึ่งที่อุบัยเป็นอาบอุบัยเป็นอับบอกวาอ่าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะดูในตับซีดเลยในมนกระเลยเป็นคำพูดของอุบัยเป็นอับนะครับแบบนีแป๊บนึง อ่าเนี่ยนีไงอันอุย i n كعب ر ض الله ع ن ي ق ر ا ل ذ ي ف ر في ق ل و ب الحمية ح ي ة ا ل ج ه ي ة و ح كما س ج د الحرام ออมอเบยบอกว่ามุดแต่ละฝ่ายเนี่ยยจะเอาชนะฝั่งนึง ผ่านยาโซโอหังอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยสิ่งที่จะเสียหายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นแต่บางทีอัลลอฮฺาอาลัมอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายไปยังมัสย i d i l h a r a m ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะตะละจึงให้ทางออกด้วยการให้บรรดามุ穆 m i ินนั้นมีความนิ่งจนกระทั่งสามารถที่จะทําสัญญาได้เสร็จกับบรรดา พวกมุชริกีนแล้วอัลลอฮฺแต่ละก็ให้ผลตอบแทนอื่นให้กับพวกเขาหลังจากนั้นเป็นการพิชิตเมืองไคบัตเป็นการเปิดให้อิสลามขยายไปยังที่อื่นอีกมากมายเหลือเกินว่าแก่อัลลอฮฺอะไรนะว่าแก่อัลลอฮฺ بكل شيء อัลลอฮฺซุบฮานะตะเอเลนั้นทรงรู้ดีในทุกๆเรื่องที่อัลลอฮฺแต่ละทำอย่างนี้ Nah, tidak membiarkan Muslim memperjuangkan keinginan untuk makan bersama. Allah tahu. Allah tahulah bahawa tidak ada kemungkinan kejadian seperti itu. Oleh itu, diberikan ah. jalan keluar. Alhamdulillah. Laut sedekah Allah Rasulullah Ru'ya bil Haq. Nah, ini cocoklah. Nah. Surah a l f a t i a c o c o l a h 3 ayat pertama ini penting sekali untuk belajar. Laut sedekah Allah Rasulullah Ru'ya bil Haq. แท้จริงแล้วาอัลลอฮฺตาลาจะทําให้ความฝันของท่านนาบีนั้นเกิดขึ้นจริงอ ะ, อะไรคือความฝันของท่านนาบีก่อนหน้าที่จะเดินทางมาที่ฮูดัยเบียะเนี่ยท่านนาบีฝันมาก่อนอาจจะไม่ได้วันสองวันอาจจะนานก่อนหน้านั้ น, น, นมาท่านนาบีฝันว่าได้เข้าไปในมักกะได้ทําอุมรอได้เชื่อดสัตว์ต่างๆแล้วท่านก็ รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขเอาความฝันเนี่ยไปเล่าให้กับบรรดาสหบาบะางฟังบรรดาสหายก็ดีใจพอถึงปีที่หกอิจราสักระษัท่านนาบีรบรรดาสหายบอกว่าเราจะไปมักกะทุกคนต่างมีความรู้สึกว่านี่แหละคือความฝันที่ท่านนาบีฝันวันนั้นอุมารรเองก็ดีใจนะครับทุกคนดีใจหมดเลยนึกถึงความฝันของท่านนาบีแต่พอไปถึงฮดยเบียปุ๊บอา้าวมีปัญหา สุดท้ายต้องกลับมาอุมัดก็เลยไปถามท่านดะบิสสลลลละอฺสัลลัมว่าไหนบอกในท่านบอกว่าอัลลอฮฺจะให้เราเข้ามากักกะเรายังไม่ได้เข้าเลยไหนอ่ะอัลลอฮฺมากว่าท่านดะบิก็เลยถามกลับไปว่าใช่อัลลอฮฺจะจะให้เราเข้ามากักกะได้ทําอมร์แต่ฉันบอกหรือเปล่าว่าเป็นปีนี้ไม่ได้บอกว่าปีนี้สักหน่อย บอกว่าจะได้เข้านั้นจะได้เข้าแน่นอนแต่ใช่ปีนี้หรือเปล่าไม่ได้บอกไงอ่อุมรัรก็ยอมรับว่าท่านนาบีไม่ได้บอกว่าจะเข้าปีนี้นะครับแต่เป็นปีต่อไปนะครับเป็นปีที่แปดนะเป็นปีที่อใช่ไหมเป็นปีที่เจ็ดใช่นะเป็นปีที่เจ็ดสุฮานะลละแต่สุดท้ายก็ได้เข้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซาดะก็ลลอฮฺราะซูลฺละอฺุ ؤياب الحق ความฝันของท่านนบีต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนอัลลอฮฺจะให้ให้เป็นจริงลราจะเลุ่มัสยิดอลฮารามอินชาอัลลอฮฺพวกเจ้าจะได้เข้ามัสยิดอลฮารามด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺมาชาอัลลอฮฺอินชาอัลลตรงนี้เนี่ยิบหิบรือว่าร้อปอะปกติแล้วถ้าอินชาอัลลของเรานี่ 50-50 อินชาอัลลอฮ์ของเราบางทีไม่ถึง50ด้วยซ้ำหาเไปไหมอินชาอัลลอฮ์ในใจคิดไว้แล้วกูไม <laughs> <laughs> <fir> ่ไปอัสาาลามุอะุลลอฮ์อินชาอัลลอฮข้อละตั๋ล่านี่ร้อเปอร์เซนจะได้เข้าแน่นอนจะได้เข้าไปในมัสยิดอิลลารอมแน่นอนนะครับนักตัศนีรอธิบายว่านี่คือความสวยงามนี่เป็นมารายาทที่อัลลอลากำลังสอนเรา อย่าลืมคาว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าลืมคําว่าอินชาอัลลอฮ์ในขณะที่อัลาลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าจะได้เข้ามัส jidil ฮะรอมแน่นอนร้อยเปแต่พระองค์ก็ยังใช้คําว่าอินชาอัลลอฮ์แน่นอนจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วงานของพวกเราเนี่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นจริงแล้วทําไมเราถึงไม่พูดคําว่าอินชาอัลลอฮ์ของเรานี่เรายิ่งต้องพูดว่าอินชาอัลลอฮ์ได้สักนะครับนะในสุรทุละฮฟิลเลา ولا لنا ولا تقول ุลิอ่าไม่ ا أنك إلا أن يشاء الله ในสุรตุลกะฟี่อัลลอฮตะลานเว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะทาอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ข้างหน้าต่อไปอย่าลืมคาว่าอินชาอัลลอฮฺอายัดเนี้ยอุลามะตับซีดบางท่านอธิบายว่าเป็นการสอนจากอัลลอฮฺสุบะฮฺอัตะลาว่ามุ่งมินควรจะต้องมีมารยาทแบบนี้เวลาที่พูดอะไรอยากจะทาอะไรอย่าลืมคาว่าอินชาอัลลนะ จะจะเข้าุ่มัสยิดอลฮารามอินชาอัลลอฮ์พวกเจ้าจะได้เข้าไปใน ม, มัสยิดิัลฮาราม์อาเมนดยความปลอดภัยมุฮัลเกีนรูสะกุมในสภาพที่ได้โกนหัวทั้งหมดโกนหัวมุฮัลเกีไม่ถึงโกนหัววม่มุกัสซีรินมุกัสซิรินก็คือบางคนไม่ได้โกนแต่ตัดอันนี้ใครที่ไปทำออมร์ใครที่ไปทำฮัเนี่ยจะเข้าใจ การโกนหัวเนี่ยดีกว่าการตัดจะตัดก็ได้แต่โกนดีกว่าท่านนาบีละสลมัมขอดุอาให้กับคนที่โกนหัวอัลลอฮมะอะไรนะอ غ, ออัะละมีะดีอยู่มีะดีอยู่ที่ลตลละอัลลอฮอัลลอฮลลัลละ ล, ละัลมขอุิให้กับคนที่โกนหัวเนี่ยสามครั้งแล้วสัฮาบะบางคนไม่ได้โกนก็เลย ไ, ไปขอด้วย ขอว่าวลมุกัสซรีนขอให้กับคนที่ตัดด้วยสิท่านนาบีขออูอายให้กับคนที่โกหัวหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสัพบ้าบางคนไปนั่งรออยู่เมื่อไรจะจะมีคนที่ที่ตัดผมอย่างเดียวขออูอ่สุดท้ายท่านนาบีก็ขออูอายให้กับคนที่ตัดอย่างเดียวด้วยเหมือนกันวลมุกัสเซรีเข้าพเจ้าเนั่ยรับสัาร ะ, นะ ะ, ง ะ, อ, ะรองก็พูด นะครับในอายัด nah, นี nah, thi, ja may lay, may lam lam u, ้ว่ามุฮัลลิกีนรูอุสะคุมว่ามุกัสซรีนคนที่ทั้งโกนหัวแล้วก็คนที่ตัดผมอย่างเดียวละตะคอฟูนในสภาพที่พวกเจ้าจะไม่ไม่อะไรไม่มีความกลัวอีกต่อไปฟ ع ل า م ะมาลัม ت ล ل م ูฟะจ้าลามินดูน ذلكفتحقربا อัลลอฮฺ تعالى รู้ดี นะครับในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าไม่รู้ว่าการสงบศึกครั้งนี้มีประโยชน์อะไรกับเจ้าแต่อัลลอฮ์ลารู้ดิอัลลอฮ์ตะลาก็เลยทําให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกว่จอาลามินดูนีดาริกะฟาตฮังกอรีบาและก่อนที่พวกเจ้าจะได้เข้าไปทําอุมร์ในปีถัดไปเนี่ยอัลลอฮ์ตะลาจะให้พวกเจ้าได้รับชัยชนะอันใกล้ก่อนที่จะไปทําอุมระ์ด้วยซ้าไป ชัยชนะอันใกล้ก็คือฟัดโคไขบัลการไปพิชิตเมืองไขบรลซึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่านน บ, บีกลับมาดีนะเดือนสุลเกดะท่านน บ, บีอยู่ที่มักกะใช่ไหมครับสุลฮิจัฮถึงมดีนะเนี่ยวุฮารอม uh ไปเปิดเมืองไขบัลแล้วมาชออัลลอฮ์ตอรีบะนะครับไม่ได้นานเลยไม่เกินไม่เกินสองเดือนอัลฮัมดุลิลละนี่คือสัญญาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สัญญ nah, าท nah, ี่พระองค์ให้สัญญาว่าจะให้ فتح ใกล้บะฟัดฮันใกลบะและมันก็เกิดเกิดขึ้นจริงสัญญาว่าจะได้เข้าไปในมัสยิดอิลฮามปีเดียวกันหลังจากที่เปิดเมืองไคบัตเดือนสุลเกตนะปีเดียวกันเนี่ยก็คือปีที่เจเนี่ยได้กลับมาทําอมระองทั้งสองสัญญานี้เกิดขึ้นจริงหมดเลย ا ل ح ล د لله هوالذي أرسل راسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفاه بالله شهيدا الله أكبر ชัยชนะถังดที่อัลลอฮ์ตรัสกัประทานให้กับท่านนบีประทานให้กับบรรดามุสลิมมุ่มนินบรรดาสัฮาบเนี่เพราะอะไรนี่ไงเพราะอัลลอฮ์ำนดเียบรายละฮุวัลลีอาร์เรูละฮ ب ا ل ه พระองคือผู้ทรงแต่งตังตงง้งทรงรอซูลทรงท่านรอซูลมาเนี่ยบิลฮุดาด้วยทานนำวดีนิลฮกและด้วยศาสนาแห่งสัจธรรมเยุฮิรุอาลัดดีนิคุลิเพื่อให้มันเกิดความโดดเด่นเหนือทุกคำสอนอืน่นทุกศาสนาอืน่นมชัชยิดละ อัลฮุดานในต a f s i บอกว่าหมายถึงอัลกลมุนนาเฟะอัลฮุดะีนีลฮักทางนำกับศาสนาแห่งศสัจธรรมก็คือรวมทั้งอัลกลมุนน้า والعمل ที صالح ความรู้ที่มีประโยชน์และงานที่ صالح ศาสนาอิสลามของเราไม่ใช่แค่ รู้อย่างเดียวแต่ต้องอามัลด้วยไม่ใช่อามัลโดยไม่รู้บางคนก็อามัลโดยที่ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าอามัลที่ตัวเองทำเนี่ยเอามาจากไหนตรงไหมถูกต้องไหมอะไรยังไงไม่รู้เห็นเขาทําก็ทําด้วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้จะต้องอยู่ด้วยกันอัลกิลมุชเร النافع الصحيح والعمل الصالح นะครับ ال علم وعمل فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فإخباراتها حق و إ ن ش ا ء ا ت ه ا عدل นะครับนี่คือความหมายของค ل ว่าอัละ تعالى ส่งท่านนบีสุลลัลละสัลลัมมาพร้อมกับทางนก็คือความรู้อัลกุรอานที่ Allah سبحانه และ تعالى ส่งมาพร้อมกับท่านนบีเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้ชะอัลลอฮที ay, ่เราเรียนมาเนี ah ่ยถ ah ้าเราจะจดเอาไว้เนี่ยได้กี่เล่มแล้วความรู้ของเราเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จดได้เท่าไหร่นะมันอัลลอฮแล้วยังเรียนมากี่จุดแล้วเนี่ยนี่จะจบเหลือ Suratul Ahkaf อีกจุดหนึ่งไออีก s u ร a h หนึ่งก็จบ ยุ์นี้แหละยุคที่ี่สิบห้าไุมยุนี้อ่ะ25่สบห้ายี่สิบหกยุเท่าไหร่มาโดยให้ดียี่สห้ายี่สิหกอ่ะยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สบหกยุคที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สบเจ็ดยี่สบแปดยิบเก้าสมสิบห้ายุละมาอัลลอฮ์นะครับเป็นความรู้อัลฮุดะนะครับบอกให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงอัคเิรอจะไปทางไหนมาอัลลอฮ์ ตั้งแต่ที่เราเรียนมาเรามีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงบ้างไหมสติปัญญาของเราได้รับอะไรบ้างไหมความรู้ใหม่จะเอาุปอ่านที่เราได้เรียนมาและอดีน الحق العمل صالح ศา ส, สนาที่ถูกต้องความรู้ที่เราเรียนมาเราเอาไปใช้บ้างไหมเราเอาไปปฏิบัติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบ้างไหมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้ที่เราเรียนถูกปรับเอาไปเป็นอมามัลสาและทำอะไราเนี่ยสภาพของเรามันจะ เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหรยุคเอรอฮัวและดีนีกุลิดันจีเลยถ้ามีสองอย่างนี้สองอย่างนี้แหละสําคัญที่สุดถ้าไม่มีสองอย่างนี้มันจะโดดเด่นยังไงอ่ะถ้ามุสลิมไม่เรียนรู้จะโดดเด่นเหนือคนอืน่นจะเห็นชัดจะเห็นภาพว่าตัวเองแตกต่างตรงไหนจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะถ้ามุสลิมไม่เรียนรู้อิสลามชีวิตในแต่ละวันของเขาจะแตกต่างตรงไหนอ่ะมันไม่มีอะไรแตกต่าง ท่านมุสลิมไม่เรียนไม่ทำาัลสาละ้ะก็ ม, มีไงมุสลิมแบบนี้มุสลิมที่ไม่เรียนและมุสลิมที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแตกต่างกันตรงไหนเราจะแยกแยะได้ตรงไหนไม่มีอะไรที่เราสามารถจะแยกแยะได้เลยแต่เมื่อไรก็ตามที่มุสลิมผู้มีศรัทธาเรียนและทมาลสาละอ่าเห็นภาพเลยไม่เหมือนนี่แหละหรือยุบฮิโรห์อัลดีนีกุลเลยไม่เห็นภาพเลย ทั้งความคิดความอ่านทั้งนิสัยใจคอทั้งพฤติกรรมในแต่ละวันทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องในสังคมปฏิสัมพันธ์มันเห็นภาพอ่ะเราไม่ต้องไปมองไกลในระดับโลกระดับระดับตัวแต่ละคนนี่ยก็เห็นภาพเลยเอาแต่ละคนนี่แหละไปใช้อิสลามให้ดีก่อนแล้วเราก็จะเห็นภาพว่าคนที่เอาอิสลามมาใช้ความรู้อิสลามมาใช้อามัลที่อิสลามสอนให้ทําเขาจะเห็นเลยว่าเอ้ย มันไม่เหมือนแน่นอนมันแตกต่างอย่างชัดเจนกับคนที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับวากาซาเบลลาฮิชาฮิดาเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺวาลัตละจะเป็นพยานในเรื่องนี้คนอื่นจะไม่เชื่อะไม่เป็นไรอัลลอฮฺอะลับอกเองว่าพระองค์เป็นสักขีพยานให้ไม่ต้องไปซีเรียสกับคนอื่นแล้วนะใครจะใครใครจะเอาด้วยไม่เอาด้วยอัลลอฮ์อันนี้เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ใครไม่เอาด้วยก็ช่างหัว ถ้าพูดแรงๆอะนะเราจะไปซียเลยทำไมโอ้ท้าชันเป็นมุสลิมแล้วคนอื่นจะไม่คบชันเราให้อัลละฮ์ตาลาเป็นพยานก็พอแล้วเราได้อยู่กับอัลละฮ์ฮะเราจะให้เขามาเป็นพยานเราหรืออ่อเดี๋ยวให้ว่ั น, นี้มาเป็นพยานไว้ถึงได้ซีเรียสถึงได้แคร์ความรู้สึกเขาขนาดนั้นถึงไม่ยอมเป็นมุสลิมที่เดียวสุดท้านัลนแหละนะครับนี่ต้องเข้าใจอายัดนี้ผมสังเกตดูอายัดนี้เนี่ยมันมีชัยชนะอยู่สอง สองยุคสองสมัยอายัดที่27เนี่ยทเทลัลตะอลาบอกว่าพระองค์จะทำให้ความฝันของท่านนาบีเป็นจริงเนี่ยหมายถึงอัลฟัตหรือการพิชิตชัยชนะในสมัยของท่านนาบีเลยสโ ล, ลลัลตะอลในยุคของท่านนาบีในยุคของสราบะเลยส่วนอายัดที่28บดเนี่ยไม่ใช่แค่ยุคของสราบะเท่านั้นแต่เป็นยุคไหนครับ ทุกยุคสมัยตั้งแต่ยุคท่านนับีจนกระทั่งทุกวันนี้อิสลามเป็นยังไงมา s อ allah อิสลามยังคงเป็นเลี้ยงสิริหัอาลัดีนีกุลอยู่จนถึงทุกวันนี้และตลอดไปจนกว่าวันเกียมัจิจะมาถึงแต่เราจะไม่รู้สึกขอบคุณอัลละต้าอลาได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าคนที่รู้จักคุณค่าของอิสลามเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้คนที่รู้จัก คนที่เรียนรู้อิสลามและคนที่มีชีวิตอยู่เป็นมุสลิมที่ดีนะครับประพฤติปฏิบัติในคันลองของคําสอนของโลกบ า, ตาละตะแลงเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงเนืหมัดนี้ถ้าใครที่ไม่ได้เรียนรู้อิสลามใครที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบของอิสลามเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรบางทีอาจจะรู้สึกเกลียดอิสลามเล้สามไปวรัยาอัลเบลละต้องบอกต้องบอกเขาต้องปรับเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้สภาพของมุสลิม ควรจะเป็นยังไงนะครับโดยอัตโนมัติเราจะมีความรู้สึกภูมิใจกับการที่เราอยู่ในนี้เหมือนกับที่บรรดาสฮะบะเหมือนกับที่ท่านนาบีสุลตัลลัลสัลลัมและบรรดาสฮาบะนะครับได้รับการสารเสริญยกย่องจากอัลลอฮฺสุบฮาวตาะ์ะลาซึ่งเราจะได้เรียนในอายัดสุดท้ายจากซุรุตุลฟัตอายัดสุดท้ายเนี่ยเป็นการฉายภาพเลยว่าสังคมของท่านนาบีสุลตัลลัลสัลลัมและบรรดาสฮะบะสังคมของอุมินประชาชาติของท่านนาบีสอลตัลลัลสัลลัม เป็นสังคมแบบไหนสวยงามขนาดไหนคือบทสรุปสุดท้ายในสุระตุลฟาต์อายสุดท้ายที่เราจะได้เรียนการอินชาอัลลอ์นะครับซาบดานะ بإذن الله سبحانه وتعالى وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد ع ل ى آله و ص ح ب وسلم سبحان ربك العزة أمة يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين